วันสองวันนี้ก็ได้เรื่องราวของพระที่เบต ร, รูปหนึ่งที่เป็นผู้นำพุทธศาสนาแบบทิเบตนำไปเผยแผ่ในโลกตะวันตกท่านหนีจากทิเบตมาเพราะว่าตอนนั้นจีนเข้าไปลุกรานทิเบต เมื่อสักห้าสิบปีที่แล้วก็นนีมาไล่ๆกับทายลามะตอนนั้นก็อายุคแค่ยี่สิบกว่าแล้วก็มาอยู่ Kabul. อินเดียเสร็จแล้วก็ได้มีโอกาสไปสอนธรรมะ ก, กับฝรั่งที่มาอินเดียมาเนปาลตอนหลังก็ได้รับนิมนต์ให้ไปสอนธรรมในยุโรปในอเมริกา ตั้งแต่ยังหนุ่มๆชื่อลามะเยเชจากคนที่ไม่เคยเห็นเครื่องบินไม่เคยเห็นโทรศัพท์อาจจะไม่เคยแตะเงินพูดภาษาอังกฤษไม่เป็นสักประโยคสักคำเดียวแต่ว่าก็สามารถที่จะนำเอาพุทธศาสนาแบบทิเบตเียไปเผยแผ่ได้อย่างกว้างขวาง ก็เป็นหนึ่งในสามของชาวทิเบตที่ทำให้พุทธศาสนาแบบทิเบตนี่ได้ไปเผยแผ่ในโลกตะวันตกแล้วก็ทุกวันนี้ก็ยังมีทิพลอยู่ดาราฮอลลีวูดหลายคนก็เป็นลูกศิษย์ของท่านเชอริชัดเกียร์แต่ว่าท่านมารณภาพไปแล้วได้ยี่สิกว่าปีแล้วก็เป็นคนที่มีเมตตาสูงมากใครเห็นก็รู้สึกชื่นชมเพราะว่า ยิ้มแย้มแจ่มสาสตลอดเวลาทั้งๆ ท, ที่ชีวิตท่าลำบากแล้วก็เป็นคนที่มีปัญญาสูงมากสามารถที่จะมองทะลุถึงที่ใยใจข อ, ของผู้คนแต่ละคนได้สามารถจะเข้าใจปมปัญหาของฝรั่งซึ่งท่านไม่เคยมีประสบการณ์แต่ว่าเข้าใจปมของคนเหล่านี้ของแต่ละคนเหมือนกับว่าอ่านใจคนออก ก็เลยทำให้เป็นที่นับถือแล้วก็ที่ศรัทธาของฝรั่งซึ่งไม่เคยเชื่อเรื่องพวกาศาสนาไม่เชื่อเรื่องอการการยั่งใจคนไดนะ้ก็มานับถือก็เลยมีลูกศิษย์มากมายที่สนใจที่จะมาพูดก็มีเกรดตอนหนึ่งนะอาจจะเป็นเกรดเล็กๆนะแต่ว่าน่าเอามาพูดในที่นี้ ก็คือว่าหลังจากที่ท่านพยายามที่จะฟื้นฟูรักษาพุทธศาสนาแบบทีิเบตเอาไว้ในโลกตะวันตกต่อมาท่านก็มีโอกาสได้กลับไปประเทศจีนอาประเทศทิเบตหลังจากที่จีนเริ่มเปิดประเทศแล้วก็คือเมื่อประมาณสัก3าสิบปีที่แล้วไปแล้วก็ได้ทราบถึงเรื่องราวร้ายๆที่ทิเบตเนี่ยถูกกระทำ จากรัฐบาลจีนเพราะว่ารัฐบาลจีนมีช่วงหนึ่งก็พยายามที่จะทำลายศาสนานะโดยพาะในช่วงปฏิ ว, วัติพัฒธนธรรมก็ทำลายศาสนาฆ่าพระแล้วก็ทำลายวัดวาอารามมากมายแล้วก็ว ก, ก็มีเหตุการณ์ตอนหนึ่งคือคือท่านได้สร้างบอกว่าพระพุทธรูปที่ที่โบ ร, โบราณ ที่ชาวที่เบสนับถือ <Okay. S 1> ก็ถูกทหารจีนทุบทำลาย <Okay. S 1> แล้วก็ขนลงเอาไปทิ้งลงในแม่น้ำ <Okay. S 1> เหมือนกับเป็นเศษขยะ <Yeah. S 1> เมื่อท่านกลับมาอเมริกาท่านก็เล่าเรื่องนี้ให้ลูกศิษย์ฟังลูกศิษย์ ก, ก็แปลกใจท่านเล่าไปท่านก็หัวเราะไปไม่ได้มีความรู้สึกโกรธแค้น คนจีนที่ทําลายสิ่งที่ชาวพุทธถือว่าเป็นสิ่งสําคัญศักดิ์สิทธิ์ท่านไม่ได้นอกจากจะไม่โกรธเคืองแล้วนะท่านก็ยังพูดเรื่องนี้ด้วยอารมณ์ขันเหมือนกับว่าท่านรู้สึกว่าอาจจะสมเพศคนจีนก็ได้ว่ า, วาเขาไม่รู้หรือว่ า, ว า, าศาสนาไม่ได้อยู่ที่พระพุทธรูปไม่ได้อยู่ที่ อดไม่ได้อยู่ที่ปูนะทำลาย<น>พัพะทะัลลูกก็ไม่ได้แปลว่าทาลายศาสนาท่านก็อาจจะหัวเราะในความในความไม่รู้เดียงสาของคนจีนก็ได้หรืออาจจะท่านก็อาจจะยังหัวเราะในในความไม่รู้ของคนจีนที่ขณะที่กำลังทำลายศาสนา ก็อาจจะกำลังแสดงทมบางอย่างทาที่กำลังแสดงอยู่อาจจะเป็นทมว่าด้วยอันติจังก็ได้ก็คือว่าแม้กระทั่งสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดก็ยังไม่พ้นกฎหรือว่าหลักพระอันติจาแนะแนท่านพูดไม่ว่าท่านจะหัวเราะด้วยผลไดก็ตามเนี่ยแต่สิ่งหนึ่งที่ ที่ที่ท่านมีอยู่ในใจหรือว่าค่อนข้างแน่ น, นอนคือว่าท่านมองว่านี่มันเป็นธรรมดาเป็นธรรมดาคือท่านสามารถที่ยอมรับความพัดพรากสูญเสียได้แม้สิ่งที่มีค่าที่สุดเมื่อถึงเวลาก็จะต้องสูญเสียไปอาจจะไม่ได้สูญเสียเพราะการเวลาแต่อาจจะสูญเสียเพราะถูกทำลาย แต่ท่านก็อยอมรับความจริงได้ไม่เสียอกเสียใจไม่ตีโพยตีภายแล้วก็แน่นอนไม่โกรธแค้นผู้ที่ทําลายสิ่งที่ถือว่าศักดิ์สิทธิ์ด้วย ก, ก็เชื่อว่าตอนที่พระพุทธรูปนั้นยังอยู่เนี่ยท่านก็คงจะมีความนับถือศรัทธาศักการะเพราะคนที่เบกเขานับถือมากพระพุทธรูปก็คงไม่ต่างจากชาวพุทธไทยแต่ว่าเมื่อ พระพุทธรูปที่มีค่าถูกทำลายก็ยอมรับได้ไม่โกรธแค้นไม่เศร้าโศกเสียใจอันนี้ก็ทำให้นึกถึงเรื่องราวใกล้ตัวเข้ามาหน่อยเป็นเรื่องของพระสังฆราชเจ้าวัดประวัติเวที่เป็นพระอุปะชาของในหลวงออปัจจุบันสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหล ว, วงัชรยานวงศ์นะก็ ประมาณสักห้าสิกว่าปีที่แล้ ว, ลวก็มีเรื่องเล่าว่ามีคนถวายแจกันลายครามอย่างดีราคาไม่ต้องพูดถึงแพงมากเพราะว่าเป็นของโบราณจากประเทศจีนสมัยราชวงศ์หมิงก็อายุประมาณสักสี่ร้อยอาจจะห้าร้อยปีได้ซ้ำก็มีโยมมาถวายให้ท่านเพราะว่าในสมัยนั้นเนี่ยพร ะ, ะพระที่มี สมณศักด์ก็หรือว่าคนผู้ดีสมัยก่อนเขาก็จะเล่นพวกนี้นะก็คือเล่นพวกเครื่องถ้วยลายชามจากจีนรวมทั้งแจกันนะเดี๋ยวนี้เราไปวัดวัดเก่าๆไปตามกุฏิของพระเก่าๆแก่ๆก็ยังเห็นพวกลายเครื่องครามลายครามพวกนี้อยู่แต่สมัยนี้คงไม่เล่นกันแล้วก็คนก็มาถวายท่านท่านก็รับเอาไว้ เนื่องจากมันราคาแพงแล้วก็มีความเก่ามากเพราะฉะนั้นท่านก็ต้องระมัดระวังเวลาพระเนนมาทำความสะอาดในตำหนักของท่านเนี่ยท่านก็จะคอยกวดขันว่าให้ระมัดระวังเวลาใครเดินผ่านก็ท่านก็เตือนว่าให้ระวังอย่าไปอย่าไปแตะแรงๆเพราะว่ามันเก่าอาจจะ อาจจะเป็นเป็นไหลได้เวลาเนนจะมากวาดมาถูท่านก็คอยเตือนเนว่าระวังอย่าให้แมกกาศนี้ไปถูกไปกระทอกับเครื่องหลคลามบินนะต้องกพยายามนะกวดขันระมัดระวังมากนะจนกระทั่งเป็นที่รู้ดีนะว่าเวลาพระเนนมาในวันนี้ท่านเลต้องคอยทาชับกัญชาให้ให้ระมัดระวังนะแล้ววันหนึ่งก็เกิดเรื่องจนได้ นะนเนรก็คงจะเดินทำความสะอาดกุศลสำตำหนักของท่านแล้วเกิดสะดุดอะไรสักอย่างอาจจะสะดุดขาแล้วก็ก็เลยตัวก็เลยเซไปไปถูกตไปถูกใจา ก, การลายครามนี้นะนะแล้วเกิดอะไรขึ้นมันก็ล้มแล้วก็ฟาดกับพื้นแตกพรนะนเนรกตกใจกันใหญ่เพราะว่ารู้ดีว่านี่เป็นสิ่งที่มีค่ามากที่ สมเด็จท่านเอาใจใส่กวดขันมากแต่ปรากฏว่าพอสมเด็จท่านได้ยินเสียงเสียงตกแตกนี่แทนที่ท่านจะโกรธท่านจะกริ้วนะท่านกลับพูดว่าเอ อ, อหมดภาระไปทีนะคือท่านไม่ได้เสียใจเลยเลยแต่ว่าตอนที่ยังอยู่เนี่ยท่านก็ดูแลใจใสอาจจะเป็นเพราะว่าโยมเขาถวายท่านก็พยายามดูแล เรามัดระวังอย่างดีนะแต่ว่าพอถึงเวลาที่มันแตกท่านก็ไม่ได้โกรธไม่ได้เสียใจอะไรเพราะเห็นว่ามันเป็นธรรมดานะเรียกว่าปล่อยวางได้ที่จริงท่านอาจจะปล่อยวางตั้งแต่ตอนที่ได้มาแล้วแต่ว่าก็เป็นหน้าที่ที่จะต้องดูแลเพราะว่าอ่าเป็นสิ่งที่โยมเขาถวายนะท่านก็มีหน้าที่ที่จะต้องดูแลอันนี้ก็เป็นเป็นเป็นแง่คิดนะว่าอ่า มันก็คงเหมือนกับสินทรัพย์สินทรัพย์ทรัพย์ทรัพย์ ส, ส, ส, สินหรือว่าแม้แต่ร่างกายที่เรามีอยู่นะจะว่าไปมันก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่มันก็ไม่ใช่เป็นของเรามันก็เป็นสิ่งที่เราหยิบยืมมาหรืออาจจะเป็นของธรรมชาติในขณะที่ยังอยู่กับเราเราก็ต้องดูแลร่างกายนี้ไม่ใช่ของเราก็จริงนะแต่ว่าเราก็ต้องดูแลเอาใจใส่ นะเพื่อให้มันอยู่ได้นานที่สุดอยู่ได้นานนี่ไม่ใช่เพื่ออะไรนะก็เพื่อท่จะได้ทำความดีแต่ว่าเมื่อถึงเวลาที่มันมีอันเป็นไปไม่ว่าจะเป็นทรัพสมบัติมียนเป็นไปรถยนตมีอันเป็นไปบ้านมีอันเป็นไปหรือแม้แต่ร่างกายนี้มันมีอันเป็นไปก็ทำใจได้ก็พร้อมนะ เรียกว่าไม่ได้มีความเสีย อ, อกเสียใจหรือเสียดายอะไรตราด้ดที่แมันอยู่กับเราก็ดูแลเต็มที่แต่เมื่อถึงเวลาที่มันจะไปพ้นจากมือเราไปหรือว่าะจะไปะโดยที่เร า, บ, าบังคับบัญชาไม่ได้ก็ต้องก็พร้อมจะปล่อยพร้อมจะวางอันนี้คือคือท่าทีของชาวพุทธต่อสิ่งต่างๆที่เรียกว่าสังขารไม่ว่าสังขาร น, นอกตัวหรือสังขารที่เป็นร่างกายนี้ ในขณะที่ยังอยู่กับเราเราก็ดูแลเต็มที่ไม่ใช่พราะมนเป็นของเราแม้มันเป็นของคนอื่นเราหยิบยืมมาทางพุทธศาสนาก็ถือว่าสังขารร่างกายนี่เราหยิบยืมมารวมทั้งทรัพย์สมบัติทั้งปวงก็หยิบยืมมาเราก็้องแล้วใจใส่และเมื่อถึงเวลาที่ต้องคืนเจ้าของหรือเมียนเป็นไปเราก็ไม่ทุกข์ไม่เสียใจนะ อันนี้เราควรจะใช้ท่าทีนี้กับชีวิตของเราด้วยนะในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่แล้วก็ทำใช้ชีวิตของเราใช้ทุกเวลานาทีให้มีค่าที่สุดนะแต่ถึงเวลาที่เราจะต้องจากโลกนี้ไปเราก็ไม่มีความอาไลไยไม่มีความเสียดายก็พร้อมจะไปนะพระไตรบุท่านเปลี่ยนมันก็ว่าเมื่อคนที่ทำงานคนที่ทำงา น, น, งานก็ทางานนะ ด้วยความตั้งใจนะแต่เมื่อถึงเวลาเลิกงานเสียงระฆังดังเป้งก็วางวางงานทั้งหมดแล้วก็เดินออกไปโดยที่ไม่มีความรู้สึกเสียดายไม่มีความอะไรแล้วก็ไม่ได้ดีใจอะไรด้วยนะมืนกัที่ท่านตรัสว่าท่านพูดว่าไม่เรานี้ไม่มีความยินดีในชีวิตแล้วก็ไม่มีไม่มีความอะไรในชีวิตแล้วก็ไม่ยินดีในความตาย แต่เมื่อถึงเวลาตายก็พร้อมจะปล่อยวางเหมือนกับเหมือนกับคนทํางานที่พร้อมจะวางงานเมื่อถึงเวลาเลิกงานนะนี่นี่เป็นเป็นสิ่งที่เป็นท่าทีของของชาวพุทธนะซึ่งสามารถจะทําให้เราเนี่ยใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าและเมื่อถึงเวลาที่เราจะจากโลกนี้ไปซึ่งมันต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเราก็ ไม่มีความทุกข์ไม่มีความเสียใจอะไรพร้อมจะไปโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องล่ำลาใครก็ได้มีผู้หญิงคนหนึ่งเขาล่ายฟังถึงยายของเขาทุกทุกเช้าเนี่ยเวลาตื่นมาตีห้าตีห้าเนี่ยก็จะเห็นยายกับแม่เนี่ยอยู่ในครัวอยู่ในครัวทำอะไรก็เตรียมอาหารเพื่อถวายพระ แต่ว่าตัวตัวหลานเนี่ยก็ต้องรีบไปทำงานก็ไม่มีโอกาสไม่ค่อยมีเวลาเที่จะได้ใส่บาตรพระก็มีแต่แม่กับยายนะแม่กับยายนี่ก็ใส่บาตรทุกวันไม่ได้ขาดแต่วันนึงเนี่ยปรากฏว่ามีแต่แม่ที่อยู่ในครัวยายไม่อยู่ในครัว ก็เลยหลานสาวนี่ก็เลยไปที่ปไปที่ห้องของยายแล้วก็ตะโกนถ้าไม่ใช่ตะโกนก็ถามยายตรงที่หน้าประตูนะว่ายายวันนี้ไม่ใส่ไม่ใส่บาตรหรือยายก็บอกวันนี้ไม่ใส่จะสวมดมนต์แล้วก็นั่งสมาธิสักหน่อยหลานก็ถามต่อไปว่าแล้วยายจะเอาอะไรไม ยายก็ตอบว่าไม่เอาอะไรแล้วหลานก็ไม่ได้เฉลียวใจอะไรก็เดินเอาก็กลับก็ไปทํางานจนสายเนี่ยยายก็ยังไม่ออกมาจากห้องแม่ก็คือลูกของยายเนี่ยนะก็แปลกใจก็เลยไปเรียกที่ ท, ท, ที่ที่หน้าห้องไม่มีเสียงตอบก็เลยเปิดประตูเข้าไปนะปรากฏว่า ยายเนี่ยนั่งสมาธิพิงเสาห่มขาวนะรุ้งขาวห่มขาวแล้วก็มีร่องรอยว่าได้พึ่งได้สวดมนต์อยู่เพราะว่าเห็นขี้ทูบนะแล้วก็หน้าพระพุทธรูปก็มีดอกไม้นะเหมือนกับทำนองว่าบูชาพระพุทธรูปแม่ก็นึกว่ายายเนี่ย หลับไปหรือเปล่าก็ก็แตะตัวปรากฏว่าพอแตะเข้าล่างนั้นเนี่ยก็เอนลงมากองกับพื้นก็แสดงว่ายายเสียชีวิตแล้วยายหมดลมแล้วนะเป็นการไปที่สงบมากนะเป็นการไปที่เรียกว่าไม่เป็นภาระกับใคร แล้วก็เจ้าตัวคงจะรู้ล่วงหน้าแล้วว่าวันนี้คงเป็นมาสุดท้ายเพราะปกติก็ใส่บาตรเป็นประจำแต่วันนี้เลือกที่จะไม่ใส่นะแต่ม า, าใช้โอกาสนี้มานั่งสมาธิแทนหลานสาวเนี่ยเมื่อรู้ข่าวก็มาเอจใจที่ ยายบอกว่าไม่เอาอะไรแล้วนะถามยายว่าเอาอะไรไหมยายบอกไม่เอาอะไรแล้วนะก็เม่อว่าเป็นคนที่พร้อมจะไปแล้วเมือม่อจะไปเนี่ยก็ไม่คิดจะเอาอะไรลนะแล้วก็ไม่ไมจาเป็นต้องร่ำลาใครด้วยนะเพราะว่าพร้อมจะไปทุกเมือ่อนะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เพิ่งเกิดขึ้นนะนะในไม่กี่ปีที่ผ่านมา เคยได้ฟังว่าคนแก่สมัยก่อนเวลาจะตายเนี่ยก็นั่งตายทีแรกก็ก็จะง ด, งดยาก่อนงดยาต่อมาก็งดอาหารเสร็จแล้วก็งดน้ำเสร็จแล้วก็ขอให้ลูกหลานเนี่ยพาให้มันนั่งพิงเสาหรือฟ้า ฝ า, าฝาบ้านแล้วก็ตายในท่าที่นั่งสมาธิอันนี้เคยได้ยินคุณทวด ข, ของอาจารย์โกวิทเขมานันทาก็<ๆ> ก, ก็ตายในท่านี้นะอาจารย์โกวิท ต, ตอนนั้นยังเด็กอยู่บอกว่าเนี่ยไม่มีความกลัวเลยนะเพราะว่าคุณทวดเนี่ยไปอย่างส ง, งบเหมือนกาลังหลับอยู่แล้วก็มีรอยยิ้มอันนี้ก็เคยได้ยินว่า คนสมัยก่อนตายในท่านี้เยอะมากนะไม่ใช่เป็นพระทนนั้นแต่เป็นคารวานะแต่ก็เพิ่งได้ยินว่าแม้กระทั่งในยุคปัจจุบันนะก็ยังมีคนที่อตายในท่านี้ได้นะคือไปอย่างสบายเชื่อว่าถ้าพวกเราถึงเวลาที่จะต้องตายก็คงอยากจะไปในท่านี้เหมือนกันนะ ถึแม้บางคนอาจจะคิดว่าถ้าจะตายฉันขอตายในโรงพยาบาลดีกว่าเพราะว่าใกล้หมอใกล้ยานะใกลเ้เครื่องช่วยชีวิตนะหลายคนจะกลัวว่าถ้าตายในที่ ท, ที่ไม่มีอะไรเลยเนี่ยคงจะตายด้วยความทุกข์ทรมานเพราะเราคิดว่าความตายเป็นเรื่องที่น่ากลัวความตายเป็นเรื่องที่เจ็บปวดทุกข์ทรมานเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องมีหมอมีพยาบาลจะต้องมีเครื่องคราวอยู่ใกล้ๆ เพื่อที่ว่าเราจะได้ตายโดยที่ไม่เจ็บปวดนะแต่เราอาจจะลืมไปว่าความตายจริงๆมันไม่น่ากลัวไอ้สิ่งที่น่ากลัวคือความกลัวตายของเราต่างหากความกลัวตายที่อยู่ในใจนะและความกลัวตายเกิดขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่มักเพราะมันมีความยึดติดอยู่มีความยึดติดความยึดติดทำให้เรากลัวความสูญเสีย ไม่ว่าเราจะยึดติดอะไรก็ตามเราก็จะสูญเสียเราก็กลักวจะสูญเสียสิ่งนั้นนะและบางครั้งเนี่ยมันมีสิ่งที่คอยเหนี่ยวลั้งไม่ให้เราพร้อมที่จะรับมือความตายได้เช่นความกังวลนะความกังวลมีบางคนเนี่ ย, ยเวลาตายเนี่ ย, ยก็ตายด้วยความกระสับกระส่าย หมดลมแล้วตาก็ยังเปิดอยู่หมดลมแล้วตาก็ยังเปิดนะบางทีเปิดตั้งแต่สามทุ่ ม, มคือตายตอนสามทุ่มเช้าขึ้นมาก็ยังก็ยังไม่ยอมปิดตานะจนกระทั่งญาติผู้ใหญ่เนี่ยต้องจุดทูปบอกว่าไม่ต้องห่วงลูกคนเล็กน่าจะดูแลลูกคนเล็กให้ เพราะว่าเขามีลูกอยู่สี่คนผู้ชายสองคนก็ติดยาแล้วก็ติดคุกคนเล็กคนสุดท้องสิบขวบก็แม่ก็เป็นห่วงว่าจะ <c oughs> จะลงเอยเหมือนกับพี่ชายหรือเปล่าพอจุดทู ก, กบอกว่าจะดูแลลูกลูกให้<ไ>ก็พอพยาบาลปิดตาก็กลับปิดตาได้ เหมือนกับว่าพร้อมจะไปละอันนี้เราคงได้ยินคนที่เขาเป็นห่วงลูกแล้วเขาไม่สามารถที่จะตายได้สงบบางคนก็จะห่วงอย่างอื่นก็ได้มีคุณลุงคนหนึ่งอายุเจ็ดสิบกว่าแล้วก็ไยวายก็ไปล้างตายอยู่เป็นประจ ำ, จำก็ล้างตายไปสักสักพักหนึ่งก็หลายปีนะ ก็คงรู้แล้วว่าคงจะอยู่ได้ไม่นานเพราะปกติการล้างไตก็อยู่ <c oughs> ล้างได้ไม่เกินสิบปีวันหนึ่งก็เลยลูกเรียกลูกมาบอกว่าอยากจะทำพิไนยกรรมแล้วลูกได้ยินเชนนั้นก็ห้ามบอกพ่อว่ามันเป็นล้างไม่ดีเป็นอภปมงค ล, งคลก็เลยบาบเบียงเลี่ยงเลี่ยงแล้วก็สุดท้ายก็เลยไม่ได้มีการทำพิไนยกรรมไม่นานหลัจงจากนั้น คนไข้ก็ไปโรงพยาบาลไปล้างตายก็บอกว่าความดันขึ้นเกิดช็อกขึ้นมาขณะที่พอรู้สึกตัวอยู่ก็บอกลูกว่าเขากลับบ้านไปตายที่บ้านลูกไม่ยอมจะยื้อเต็มที่นะยื้ได้แค่สองวันพ่อก็ตายแต่ว่าตายแบบพรแบบนทุลายนะนานอยู่ขี้ข ม, มวดลืมตาไม่ยอมปิดก็แสดงว่าเขายังมีความอาลัยอยู่หรือมีความห่วงอยู่ อาจจะไม่ได้อะไรจะมีความห่วงก็ดาว่าอาจจะเป็นห่วงเรื่องพี่นายกรรมนะคนที่เป็นพ่อเป็นแม่นี่ก็ก็มีความห่วงเรื่องนี้นะเพราะรู้ดีว่าถ้าพี่นายกรรมเนี่ยถ้าไม่ไม่สาสางให้แล้วเสร็จบางทีพี่น้องก็ทะเลาะ ก, กันฆ่ากันตายก็มีเพราะเรื่องพี่นายกรรมแต่คนที่เขาผ่าโลกมามากเขาก็รู้ว่าเรื่องนี้ต้องสาสางแต่ว่าพอไม่ได้จัดการเรื่องนี้ก็เลย อาจจะเป็นเหตุให้ทำให้ตายไม่สงบหรือตายไม่ดีได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องการเรื่องการพยายามศาสางเรื่องการที่คนเราจะตายดีได้เนี่ยตายสงบได้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่จําเป็นมากคือการพยายามที่จะสะสางการงานต่างๆให้แล้วเสร็จ หรือผู้ยา น, นก็คือว่าในคะที่มีชีวิตอยู่ยังมีลมหายใจก็ต้องพยายามทําหน้าที่ของเราให้สมบูรณ์อย่าให้มันมีอะไรข้างค้างหรือว่าข้างค้างโดยที่สุดเพราะถ้ามันมีอะไรที่ข้างค้างแล้วก็ทําให้เกิดความกังวลนะไม่จะเป็นเรื่องพี่นัยกรรมไม่อจะเป็นเรื่องเรื่องลูกนะนงั้นการที่คนเราจะตายดีได้เนี่ย ถ้าว่าเราสามารถเทียจปล่อยวางได้มันจะช่วยได้มากอย่างคุณยายคนที่ว่าเนี่ยก็ชื่อว่าที่ที่ไปสงบได้ไปดีได้อย่างนั้นเนี่ยก็เพราะว่าปล่อยวางไม่เอาอะไรแล้วนะแล้วก็ไม่ห่วงไม่ห่วงลูกไม่ห่วงหลานนะก็เลยไม่จำเป็นต้องล่าลามไม่จำเป็นต้องสั่งเสียก็ไปอย่างอย่างสบายนี่เพราะว่าปล่อยวางถ้าคนเราจะปล่อยวางได้เนี่ยมันไม่ใช่ปล่อยวางอยู่ดีๆจะปล่อยวางได้ก็ต้องหมายความว่า ก่อนหน้านั้นเนี่ยได้สะสางงานการให้เรียบร้อยไม่มีอะไรที่ค้างงหรือว่าทำหน้าที่ของตัวให้สมบูรณ์หน้าที่ต่อลูกหน้าที่ต่อหลาน น, าลา น, นะก็ทำจนกระทั่งวางใจได้ถ้ายั ง, ยงทำไม่เสร็จหรือยังมีอะไรค้างเนี่ยมันก็ลำบากนะที่จะปล่อยวาง นอกจากการทำหน้าที่แล้วที่สามานคือการทำความดีแถ้าทำความดีความดีนั่นก็จะเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงใจให้เกิดความมั่นใจว่าจะไปดีหลายคนเนี่ยที่ถามเคยถามว่าทำไมกลัวตายหลายคนก็ตอบว่าเพราะว่ากลัววจะไปนรกเพราะยังรู้สึกว่ายัางทำดีไม่พอจริงๆการทำความดีไม่พอเนี่ยมันไม่ใช่แค่ทำให้เราไม่มั่นใจใน ในอนาคตหรือในชาติหน้าเท่านั้นนะแต่ว่าไอตอนที่กำลังจะตายเนี่ยถ้าความดีไม่มากพอมันก็ไม่สามารถจะช่วยทําให้ใจเนี่ย เ, เ, เกิดความมั่นใจหรือเกิดความปิดตีความภาคภูมิใจได้พระวิชารตรัส ว, ว่าบุญย่อมนําให้เกิดสุขในเวลาสิ้นชีวิตนะถ้าไม่ได้พูดว่าในในในกรณีนี้ถ้าไม่ได้พูดว่าบุญทําให้ตาย ไปสู่สุกตินะในบางที่ท่านก็พูดว่าบุญทาให้ไปสู่สุกติแต่ว่าในในใ น, ในพาสิทนี้ท่านพูดเลยว่าบุญทำให้เกิดสุขในยามสินนมส้นชีวิตก็คือว่าไม่ทุรนทุรายนะนถ้าคนเรากลัวความตายเพราะว่าส่วนหนึ่งก็เพราะกลัวทุกขเวทนาแต่ว่าถ้าเราลึกถึงความดีที่ตัวเองได้ทำก็จะทำให้ มีความภาคภูมิใจนะมีความปิติในความดีไอ้ปิติในความดีเนี่ยมันก็ช่วยลดเวทนาได้เยอะนะเคยมีพยาบาลล่ายฟังว่าได้ไปดูแลคนไข้คนหนึ่งเป็นคุณยายแกก็ปวดท้องเขาจะจะเป็นมะเร็งที่ท้องอที่กระเพาะอาปวดมาก พยาบาลก็ไปคุยแต่ไม่ได้ถามอาการว่าปวดไหมปวดแค่ไหนไม่ได้ไปดูความดันอะไรแต่ถามว่ายายในชีวิตนี้ทำอะไรแล้วมีความสุขที่สุดคำถามนี้ส่วนใหญ่หมอและพยาบาลไม่ค่อยถามเท่าไหร่เพราะว่านึกว่ามันไม่เกี่ยวกับหน้าที่ของตัวแต่พยาบาลคนนี้ถามนะว่าทำแล้วแล้วมีความสุขที่สุดในชีวิตยายก็บอกว่า ได้หล่อพระตอนที่ได้หล่อพระนี่มีความสุขพยบาลก็เลยชวนยายเนี่ยไปไปหล่อพระจินตนาการไม่ได้ไปหล่อพระนะใส่ชุดอะไรวันนั้นใส่เสื้อสีอะไรอ้าใส่เสื้อสีนั้นแหะชุดนั้นแหะไปหล่อพระกันพายายย้อนกลับไปถึงวันที่ได้ไปหล่อพระและมีความสุข นะพอได้ไปหล่อพระเสร็จในจินตนาการนะยายก็บอกว่าเออไอความปวดนี่มันหายไปเลยนะแปลกนะความปวดมันหายไปเลยแล้วคนเราพอทึกทึกนึกถึงความดีที่ได้ทําเนี่ยมันช่วยมันเป็นโอสถที่ช่วยลดความปวดได้นะทางวิทยาศาสตร์เขบอกมันเป็นเพราะมีเอนโดฟินหรือว่าโดพามีนที่ช่วยทําให้ความปวดมันทุเลา การการทําความดีเป็นทุนเอาไว้เนี่ยในยามที่ยังยังสุขสบายดีอยู่นี่สําคัญมากมันไม่เพียงแต่ทําให้เรามีความสุขในขณะที่เราทําแต่ว่ามันยังทําให้เราสามารถจะมีความสุขในขณะที่เรานึกย้อนถึงเหตุการณ์นั้นแม้ว่าเรากาลังเจ็บกาลังปวดอยู่ก็ตามก็ทําให้ความเจ็บความปวดทุเลาได้ในทางตรงข้ามถ้าเกิดว่า ทำความชั่วนะบางทีไอ้สิ่งที่ทำเนี่ยมันก็มาหลอกล้อทำให้เกิดความความเจ็บปวดหรือว่าความทุกข์ทรมานได้มีพระรูปหนึ่งบวชเมื่อแก่แล้วตอนที่จะตอนที่ปว่วยหนักเนี่ยก็มีเพื่อนพระด้วยกันก็ช่วยนะช่วยช่วยน้อมใจให้ท่านนึกถึงพระตนะตรยัยก็เรียกว่านำทาง พยายามนำทางท่านให้ไปดีน้อมใจให้นึกถึงสิ่งที่ดีงามแต่รากว่าท่านไม่สามารถจะนึกได้เลยไม่สามารถจะนึกได้ได้แต่ล้องล้องปวลวดล้องครวนครางกระสับกระส่ายท่านบอกว่าเห็นแต่หน้าคนที่ตืเองเคยฆ่าตอนที่เป็นค า, ารวาสเนะแล้วก็เป็นนั้นว่าตายตายไม่ดีเพราะว่ า, วา บาปกรรมที่ทำไว้มันก็มาหลอกหลอนนะในเวลาที่จะตายอาจจะเป็ น, ปนในทางพุทธศาสนาเราจะมีคำว่ากรรมนิมิตนะกรรมนิมิตก็คือนิมิตเกี่ยวกับกรรมที่ทำไว้ในอดีตจะเป็นกรรมดีก็ตามกรรมชั่วก็ตามถ้าเป็นกรรมดีก็ จ, จะเห็นภาพที่มันทำให้ปิติอาจจะเห็นภาพนางฟ้าเห็นภาพแสงสว่างใส ใจสบายแต่ถ้าทำความชั่วไปฆ่าใครก็จะเห็นนึกภาพถึงคนที่ตัวเองเคยฆ่าหรือสัตว์ที่ตัวเองเคยฆ่าก็ได้ก็ทำให้จิตใจกระสับกระส่ายไหนจะปวดไหนจะปวดกายแล้วก็ยังปว่วยใจเพราะว่าระลึกถึงความไม่ดีที่ทำไว้เพราะฉะนั้นนอกจากการทำหน้าที่ใ ห, ให้สมบูรณ์ทำควารับผิชอบให้แล้วเสร็จแล้วก็ทำความดีแล้ ว, ลวก็ต้องพยายามหลีกหนีความชั่วด้วย นะเมไม่งั้นเนี่ยความชั่วมันก็อาจจะมามาหลอกหลอนได้แต่คนเรานี่มันก็ยากนะที่จะไม่ให้ทําความชั่วเลยนะก็ต้องเมื่อทําแล้วก็ต้องรู้จักวิธีที่จะปลดเปื้องสิ่งไม่ดีออกไปจากใจนะอันนี้ก็สําคัญเหมือนกันนะคนเราถ้าหากว่าเราไม่รู้จักปลดเปื้องสิ่งไม่ดีความรู้สึกผิดความรู้สึกโกรธนะมันก็สามารถจะมาหลอกหลอเราได้ บางคนไม่ยอมตายนะ ท, ทั้งที่เอาไป ว, ว่านี่แย่หมดแล้วนะก็เพราะว่ายังมีอะไรบางอย่างที่ยังติคงดค้างอยู่มีพยาบาลคนหนึ่งนะนก็อย่างที่ว่าอาการก็ย่าแย่แล้วนะความดันต ก, ตกชีพจรก็ต่ตตำแต่ตาค้างไม่ยอมปิ ด, ปดจนกระทั่ ง, งพยาบาลรุ่นน้อง คนหนึ่งมาเยี่ยมและสิ่งแรกที่แกพยายามทำคนไข้พยายามทำก็คือขอโทษนะขอโทษพยาบาลคนนี้ขอโทษเรื่องอะไรขอโทษที่เคยไปทำไม่ดีกับเธอเพราะไประแวงว่าเธอเป็นเป็นกิ๊กกับสามีก็รู้สึกผิดว่าเข้าใจผิดนะก็ลอนะรอที่จะขอโทษ แล้วพอขอโทษก็<อ> ก, ก็สามารถที่จะหลับตาแล้วก็ไปได้นะอย่างสงบ อ, อันนี้ก็เรียกว่า<อ>การปลดเปลื้องสิ่งค้างคาใจก็สำคัญเหมือนกัน<อ>นะต้องรู้จักปลดเปลื้องให้ได้นะอย่าให้มันค้างคาบางคนจะคิดว่าไม่สำคัญนะนะเรื่องการขอโทษนี่ไม่สำคัญแต่ใครจะไปรู้ ไอ้ตอนที่ยังสุขสบายดีอยู่ก็อาจจะถือว่ามันไม่สําคัญแต่พอใกล้ตายเนี่ยไอ้ความความไม่ดีหรือสิ่งไล้ไร้ที่ทำกับคนอื่นเนี่ยที่ดูเหมือนเล็กน้อยเนี่ยมันอาจจะมารังควาลรบกวนจิตใจได้เพราะฉะนั้นประเพณีเรื่องการขออโหสิกรรมเนี่ยมันสําคัญแต่ว่าถ้าขออโหสิกรรมแบบพูดไปแต่ปากแต่ว่าใจไม่ได้น้อมตามหรือไม่ได้ขอโทษขอโพยต่อหน้าคนที่ทําความ เดือดร้อนให้บางทีก็มันก็ไม่แล้วใจนะแต่ว่าถ้าได้ขอโทษจริงๆได้ขอโทษต่อหน้าเนี้มันมันแล้วใจแล้วก็ไปดีได้การทําความดีการทําหน้าที่การหลีกหนีความชั่ว<ล>การปลดเปลืงสินค้างคาดใจเนี่ยเป็นเป็นสิ่งสําคัญที่เราต้องต้องจลหนักในขณะนี้นะ แต่จะทำอย่างนั้นได้เนี่ยมันต้องมีสิ่งหนึ่งที่จะคอยกระตุ้นให้เราไม่ไม่ไม่เฉยชาหรือชะลาดใจสิ่งนั่นคือมรณนะสติการระลึกถึงความตายอยู่เสมอเนี่ยมันเป็นตัวกระตุ้นเราให้เราเนี่ยไม่ชะลาดใจคือช่วยกระตุ้นให้เราขนขวายในเรื่องเหล่านี้ซึ่งปกติเราชอบผัดพรอนนะเราชอบผัดพรอนเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนเพราะว่า มันไม่มีเส้นตายเราก็เลยผัดผ่อนนะบางทีเรานึกอยากจะขอโทษคนบางคนแต่ก็ผัดผ่อนไปแม้แต่บางทีอยากจะขอทำในสิ่งที่เราไม่เคยทำเช่นบอกว่ารักแม่มีคนนึงแม่ป่วยแม่ป่วยแล้วก็ป่วยหนักนะเขาก็ไม่คยได้มีโอกาไม่เยี่ยมแล้ววันนึงก็มีโอกาไม่เยี่ยมก็อยู่กับแม่หลายวันแล้ววันนึ่งก็คิดว่าเขาอยากจะ บอกว่าแม่รักแม่แล้วก็อยากจะขอโทษแม่แต่วันนั้นเนี่ยก็ประมาณค่าละสองสามทุ่มก็เห็นแม่ทําท่าจะหลับก็คิดว่าไม่อยากรบกวนแม่เอาไว้พรุ่งนี้ค่อยพูดกันแล้วกันนะปรากฏว่าวันรุ่งขึ้นแม่เสียชีวิตก็มาเสียใจยว่าทําไมเราไม่พูดตั้งแต่คืนนั้นอันนี้ก็พ่อจะพี่ว่าเรียกว่อแอย่างนี้ทางพุทธศาสนาเราเรียกว่าประมาทคือคิดว่าความตายรอได้ความตายผัดผ่อนได้แต่จริงจริงมันไม่หรอก อันนี้ไม่ใช่แค่ความตายของแม่เนะี่ยบางทีความตายของเรามันก็ไม่รู้จะมาเมื่อไหรเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราลึกถึงความตายเสมอเนี่ยเราลึกว่าความตายต้องเกิดขึ้นกับเราแน่นอนแล้วก็เราลึกได้ ว, ว่าไม่แน่นอนว่าจะตายเมื่อไหรซึ่งก็หมายว่าอาจจะตายคืนนี้ก็ได้อาจจตายพรุ่งนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่สมควรทํารีบทำซะนะไม่ว่าจะเป็นการทําความดีไม่ว่าจะเป็นการทําหน้าที่ให้แล้วเสร็จ รวมทั้งการปลดเปลื้องสินค้าคาใจหรือการบอกความในใจกับคนที่เรารักจะขอโทษก็ดีจะขอบคุณก็ดีจะบอกรักก็ดีนะก็ไม่ควรที่จะผัดผ่อนหรือไม่ควรที่จะอายที่จะพูดบางทีคำสั้นๆว่าขอโทษหรือว่าขอบคุณหรือว่าบอกรักเนี่ยหลายคนทำไม่ได้นะบางคนแค่จะกอดแม่ก็ไม่กล้า ก, กอดกอดพ่อก็ไม่กล้า ก, กอดเพราะไม่เคย แต่พอเขาเสียไปแล้วถึงค่อยเสียด่าว่าทําไมเราไม่กอดเขาทําไมเราไม่บอกรักเขามาเสียใจตอนที่คนละมักจะเสียใจเมื่อโอกาสมันผ่านไปแล้วแต่ตอนที่โอกาสมีเราปล่อยให้แล้เลยผ่านไปเพราะอะไรก็เพราะว่าเราเราไม่ไม่ระลึกถึงความตายมากเพียงเพราะก็คือไม่มีไม่ระลึกถึงมรณสติไอ้มรณมรณสติเนี่ยถ้ามันถ้าคิดจริงๆเนี่ยพิจารณาน้อม น, นึกจริงๆไม่ใช่แค่นึกนึกในหัว หรือว่าพูดออกมาเป็นคําอย่างเดียวนะแต่ว่าน้อมนึกว่าไม้ต้องเกิดขึ้นกับเราอย่างแน่นอนเมื่อไหร่ไม่รู้มันก็จะกระตุ้นให้เราเนี่ยเกิดขวนขวายทําสิ่งที่เราควรทําแต่ผัดผ่อนมาตลอดและขณะเดียวกันก็ช่วยเราเนี่ยเร่งฝึกที่จะปล่อยวางนะความปล่อยวางเลยเพราะสิ่งที่เราชอบยึดติดลอยปล่อยวาง ถ้าเราต้องฝึกอยู่เสมอให้เราปล่อยวางให้ได้ปล่อยวางสิ่งที่เรารักแล้วก็ปล่อยวางสิ่งที่เราไม่รักคนเราเนี่ยมันยึดติดสองอย่างนยึดติดสิ่งที่รักก็ยึดติดสิ่งที่ไม่รักสิ่งที่ไม่รักเช่นความโกรธความรู้สึกผิดเนี่ยเราไม่เราไม่ชอบแต่ว่าเราก็อดยึดไม่ได้และตอนถ้าเราไม่รู้จักปล่อยไม่รู้จักวางสองสิ่งนี้นะคือปล่อยวางสิ่งที่รักและปล่อยวางสิ่งที่ไม่รัก ถึงเวลาจะตายเนี่ยมันตายไม่ได้นะเพราะว่าเห็นเห็นนึกถึงลู ก, ลกนึกถึงคนรักนะบางทีเขาร้องไห้ต่อหน้าเขามาขอร้องว่าอย่าพึ่งไปอย่าเพิ่งไปไปไม่ได้นะมีหลายคนเลยร่างกายแย่หมดแล้วอวัยวะแย่หมดแล้วแต่หัวใจยังเต้นหมอแปลกใจมากว่าทำไมหัวใจยังเต้นนะแข็งแรงมาก บอก็ว่าข้างๆเนี่ยแฟนร้องห่มร้องไห้จะไม่ทันจะแต่งงานกันเก็บพร้อมลอมสร้างทีเราสร้างเรียกว่าเลือนหอแต่ว่าไม่ทันได้อยู่ไม่ทันได้แต่งงานแฟนก็ร้องห่มร้องไห้ว่าอยพึ่งไปอย่าพึ่งไปเจ้าตัวก็เลยไปไม่ได้แต่พอแฟนรู้สึกว่าทรมานรู้สึกว่้าทรมาน เขอบอกว่าเธอจะไปก็ไปนะพอพูดอย่างนี้หัวใจหยุดหัวใจหยุดเต้นเลยเหมือนกับว่าที่ยังตายไม่ได้เพราะว่ายังเป็นห่วงคนรักแต่พอคนรักยอมให้ไปได้ถ้าคนไข้ก็พร้อมไปมันจะมีเรื่องทํานองนี้อยู่นะอยู่ บ, บ่อยๆมีคุณยายคนหนึ่งแก่หัวใจหัวใจหใจยุดเต้นก็ช่วยทำปั๊มขึ้นมาแต่พอปั๊มแล้วก็ไม่รู้สึกตัว ไม่รู้สึกตัวเป็นเดือนเลยนะระหว่างนั้นก็มีลูกมีหลานมีเพื่อนบ้านมาเยี่ยมต่างคนต่างก็บอกว่ากลับบ้านนะกลับบ้านนะถือว่าให้รีบๆหายแล้วกลับบ้านแต่คนค่าไม่ตอบสนองเลยแต่ลูกเนี่ยซึ่งเป็นคนที่ดูแลเ้าก็สังเกตเวลาพิกตัวแม่เนี่ยก็เห็นน้ำตาแม่ก็สงสัยว่าแม่คงจะปวด ก็เลยพูดกับแม่หลังจากพามาได้เดือนหนึ่งแล้วก็บอกแม่ว่าแม่ถ้าแม่แม่เหนื่อยแม่แม่ปวดแม่แม่ทรมานไหมถ้าแม่ปวดแม่ทรมานแม่ไปได้เลยนะไม่ต้องห่วงผมแล้วก็ชวนแม่สวดมนั่งสมาธิทำได้แค่ห้านาทีเท่านั้นแหละแม่หยุดหายใจเลยหัวสัญญาณชีพแบนลากเนี่ยมึงนกับว่าพอลูกพูดเชนนี้ ก็แสดงว่าลูกพร้อมอนุญาตให้แม่ไปแล้วแม่ก็เลยพร้อมจะไปนะบางทีคนไข้ไปไม่ได้นะเพราะว่าคนรักยังไม่ยอมให้ไปนะถ้าเราอยู่ในสากลนี้บางทีก็แย่เหมือนกันนะเว้นแต่ว่าเราปล่อยวางได้นะเราปล่อยวางได้อันนี้ก็ต้องเท่าจะปล่อยวางแล้วต้องอาศัยการเจริญสตินะปล่อยวางงานแม่เสร็จก็ไม่เป็นไรปล่อย ใครเ้าจะหวงใครเขาจะรจะักยังไงเราก็ปล่อยพอเราก็รู้ดีว่าไม่มีใครจะไปกับเราถึงเวลาเราก็ไปคนเดียวแต่ถ้าคนที่มาเจริญสติไม่ฝึกภาวนาเลยเนี่ยมันปล่อยไม่ได้นะมันก็จะห่วงกังวลอยู่นั่นแหละเพราะนั้นนอกจากการเจริญมรณาสติแล้วเนี่ยต้องต้องหมั่นภาวนาดิ้นนะ <c oughs> และโดยเฉพาะเวลาแม้เวลาที่ไม่มีใครมาร้องหมร้องไห้อยู่ข้างหน้า มันจะมีตัวหนึ่งที่ทำให้เราปล่อยที่เราที่มันจะคอยรบกวนเราและเรามักจะเผยยึดติดโดยไม่รู้ตัวอันนี้คือความปวดความปวดที่ไม่มีใครชอบนะแต่พอเกิดขึ้นที่ใจมันฝังอยู่ในความปวดใจมันยึดความปวดเอาไว้ไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางถ้าเราไม่รู้จกักไม่รู้จักการปล่อยวางความปวดนะมันก็จะรบกวนจิตใจมากจนกระทั่งอาจจะทาให้ตายไม่สงบได้ เราจะปล่อยวางความปวดเด้อ่องไรก็ต้องอาศัยสมาธิต้องอาศัยการเจริญสตินะอย่างที่เล่าเรื่องหมอคนที่เขาปวดมากแล้วหมออมร า, าแนะนําให้นั่งทําให้นั่งสมาธินะแกก็ปล่อยวางความปวดได้จกนกระทั่งจิตใจร่างกายเป็นสบายขึ้นมาอันนี้เราว่าใช้กําลังสมาธิทําให้ไม่สนใจความปวดแต่บางทีเราก็ใช้สติได้นะคือดูความปวดดูมัน เห็นความปวดแต่ไม่ใช่ผู้ปวดอันนี้ยากหน่อยนะแต่ว่าฝึกได้อย่างที่เล่าเรื่องเมื่อวานที่คนถูกมดกัดแล้วเขาก็ดูดูดูความปวดดูทุกขเวทนาที่เกิดจากมดกัดจกนกระทั่งไม่รู้สึกโกรธไม่รู้สึกเจ็บไม่รู้สึกแค้นมดเรียกว่าอาจารย์มดนะเขาเรียกอาจารย์มดไม่เรียกว่าไม่ได้ไม่ได้โกรธมดเลยมันปวดอยู่แต่ว่าใจไม่ปวดหรือเดินเดินธรรมยาตราก็ฝึกตรงนี้แหละฝึกให้เรา ทำไงกายร้อนแต่ใจไม่ร้อนก็สายสติเนี่ยดูดูเวทนามันก็ปล่อยวางได้นะแต่ถ้าไม่มีสตินั้นมันก็เข้าไปยึดจิตมันก็ไปฝังอยู่ในเวทนานั้นหรือว่าเข้าไปไปปักใจจมอยู่ในเวทนานั้นก็เลยปวดทั้งกายปวดทั้งใจก็กระสับกระส่ายนะแต่ส่วนใหญ่ความกระสับกระส่ายเกิดขึ้นจากใจที่มันยังมีอะไรที่กังวลยังมีอะไรที่ค้างคาใจมากกว่าดันั้นการ ภาวนาเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญนะมันจะเรียกเป็นเป็ น, ปนมีความสำคัญแบ บ, แ บ, บระดับความเป็นความตายก็ได้เพราะคนเราถึงที่สุดแล้วเราก็ต้องปรารถนาการตายสงบรวยแค่ไหนก็ไม่สามารถจะซื้อความตายสงบได้มีแต่ทุนที่สะสมไว้ในขณะที่ยังมีร่างกายปกติดีอยู่คือการทำความดีการหลีกหนีความชั่วและการปลดเปื้องสินค้างคาใจแล้วก็การฝึก การฝึกสติสมาธิที่เรียกว่าภาวนาเอาไว้อยู่เสมอสิ่งนี้จะทำให้เราสามารถที่จะไปสงบได้และถ้าเราจับหลักตรงนี้ได้เราก็สามารถจะแนะนําคนอื่นให้เขาไปสงบได้หรือแนะนําวิธีที่จะช่วยญาติของเขาคนรักของเขาให้ไปสงบได้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาละอะยุติเท่านี้